<Book> <93. S 3> บุ๊กทูเก้าสิบสามต้มไหหมูดอนุประโยคใช้เชื่อมสาให้กับวาคยาลุวกเวลฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่อัานนันนุเพยมิสตุนนรเลดนากเดลียดู ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้อ้ายนะนะเวนเนกิราเรโมเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้อาา้ายนะนะกูโฟนเชียเรโ ม, มดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมอ้ายนะนะกูรินจิอ้อเลจิสตูดาระดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม ไอ้ไหนกี่อิงก์ก็รู้วุ่นดุนท่าริฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกไหอ้น่ะบัดเับตุนนาระเขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าไอ้น่ะหน้ากริ้งเชียวโลสต์น า, นา เ, เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าไอ้ไหนกีน่อิกรูรม เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้อ้ายน่ะนากคนในยันจบตุนนาเรมฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่อ้าย น, น, น่ะนจันงั้นนิชตอร์ปตุนาลานีนักการมันังก็อุนดีฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่อ้ายนะนักบรัสตารานี่ น, นักานังก็อุนดี ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่อ้ายนันนนุไปุนตารานน่าการมาเขาจะชอบฉันจริงจังไหมอนันใน jungle อิต์ปัตตุนาเขาจะเขียนมาหาฉันไหมอนนนักุราสตาะเขาจะแต่งงานกับฉันไหม อันนั้นนั่นนู่นเป็นเรื่องสกุ